โอกาจารเราก็ได้ถึงหกสาวรวดีแล้วก็พวกเราโอกาสดีก็ได้พักตามวัดในหลายๆแห่งส่วนใหญ่แม้เป็นสำนักที่เป็นสำนักเรียนมีพระมีเนรในการเรียนปริยติธรรมเรียนวารีแต่ก็ไม่ใช่เป็นแบบ ที่เราคุ้นเคยกันเรียนกันในเมืองไทยหรือในที่อื่นบางทีก็ เ, เรียนกันไม่ค่อยจริงจังเท่าไร่แต่ที่นี่เราก็เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนแล้วก็ก็รู้สึกน่าอนุโมทนาน่าชื่นชมแม้เราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทําหรือบางทีอาจจะเห็นตานะ่างในวิธีการเรียนการสอนการศึกษาแต่มันก็ ต่างก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทําให้เขาเหมือนกับเราเพราะว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของเขาแต่ที่จริงแม้ความต่างของเขาแต่มันก็ได้เนื้อหาได้แก่นสารข้างในอยู่พอสมควรอยู่นในการสร่งพระบาลีไว้ในการส่งพระปริยัติไว้หรือบางทีมันก็ได้ฝึกหลายๆอย่างการสวดมนต์มันก็ มีทั้งความอดทนกว่าจะได้ตัวหนังสือหรือกว่าจะจําได้มันก็ต้องอาใส่สมาธิความภาคเพียรในการกระทําสื่อสารนั้นซึ่งมันก็เป็นเป็นคุณธรรมหรือวเป็นธรรมะซึ่งไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องบอกให้ทําแต่มันก็ต้องทําให้มันได้แบบนั้นมาถึงจะประสบผลสาเร็จในการเรียนการสอนมันก็มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันดีแต่บางที แม้บางคนอาจจะฝึกเน้นในการทำสมาธิหรือปฏิบัติธรรมไปโดยตรงแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ได้บางทีรูปแบบอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าเนื้อหาข้างในมาสามารถทำได้เช่นเดียวกันมันก็เป็นผลที่ดีได้เหมือนกันแต่ก็แต่บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้บางทีบอกไว้ว่า บิงทีการที่คนที่จำาจาคา ส, สอนของพระพุทธองค์ได้นะเข้าใจในเชิงของความคิดต่างๆสามารถอธิบายติดต่อกันไปได้บางทีพระเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับใครคนเลี้ยงโคนะคนเลี้ยงโคซึ่งเป็นลูกจ้างของเจ้าของโคนะแม้เขาจะเลี้ยงโค ร, รืูวิธีเลี้ยงโคอย่างไร รู้วิธีรีดนมโคอย่างไรแต่นมนั้นก็ไม่ใช่นมของเขาก็เป็นนมของเจ้าของเขาเขาหาได้ลิมรสรสชาติของนมนั้นหรือว่าได้เป็นเจ้าของคงนมนั้นเขาไม่ได้เป็นเลยนะเป็นเพียงแค่คนรับจ้างเลี้ยงโคแต่ถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติธรรมจนทั่งเข้าถึงธรรมนะแม้อาจจะไม่ทรงความรู้แตกฉานไม่ได้ทรงจำ ความต่างๆได้มากแต่เขาเข้าถึงเรียกว่าลดของธรรมสามารถเข้าถึงธรรมะที่เป็นแกนแท้เนื้อแท้จริงๆพระเจ้าท่านเปรียบเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของโคนหรือว่าเป็นลูกของเจ้าของโคแม้เขาไม่ได้เลี้ยงดูโคเองไม่ได้รี่นมโคเองนะหรือบางทีอาจจะมีดุกระบวนการได้ซ้ําแต่เขาก็ได้รับลดของ น้ำนมโคนะั้นนะเป็นเจ้าของพระเจ้าท่านก็เปรียบให้เราเห็นอ่าบางทีในการปฏิญาตก็ดีหรือปฏิบัติก็ดีแต่ถ้าผู้ใดเข้าถึงความปฏิเวทหรือว่าผลของการปฏิบัติผู้นั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รับอัตริรศหรือได้รับโรสของพระธรรมนะผู้เจ้าจะเปรียบเหมือนว่าผู้นั้นแหละถึงจะเป็นบุตรของเราอย่างแท้จริงนะ เป็นลูกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่ที่พวกเช่นี้ไม่ใช่ตำหนิหรือว่าไม่ได้ไปว่าใครหรือว่าสานักไหนหรือ ว, วิธีการไหนไม่ดีแต่ก็เป็นเพียงแค่ให้พวาเราได้เป็นแง่คิดว่าทาอย่างไรเราถึงจะสามารถจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงนะการเดินทาง อาจจะมีหลายวิธีการในในหลายรูปแบบในเชิงปฏิยัติปฏิบัติหรือแม้แต่การปฏิบัติก็มีหลายรูปแบบปริยัติก็มีหลายวิธีการหลายระบบหลายเทคนิคแต่ถ้าแท้ที่จริงแล้วสามารถไปถูจุดเดียวกันได้หรือมานสามารถบรรจบด้วยกันได้ในเชิงทั้งปริยัติและปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลของปฏิเวกก็คือผลของการเข้าถึง รถแห่งธรรมตอนนั้นแหละคือจะเป็นผลที่แท้จริงแล้วรถของธรรมคืออะไระรถของความวิมุตติความหุดทนรถของความคายความยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าท่านตัดไว้ดีว่าผมวาจาันนี้นะเราก็พึดไม่ใช่เพื่อดากสการะสรรเสริญเยนยอไม่ใช่ไปพฤตเพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ ไม่ใช่ประพฤติเพื่ อ, อเป็นเจ้ารัติหรือแก้รัติอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พบว่าจรานี้เราประพฤติเพื่ อ, อความหลุดพน้นเราประพฤติเพื่อขายความกําหนัดเราประพฤติเพื่อละกิเลสนะถ้าเราประพฤติเพื่ออ่า เ, เ, เรียกว่าจารึกก็คือการสะกดคืนสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งพวงไปท่านบอกเนี้ย พรหมจรรย์ก็คือการประพฤติการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์สุดพ้ดไม่ใช่ประพฤติเพื่อสิ่งภายนอกเลยแต่เป็นการประพฤติเพื่อสรดสิ่งภายในที่มันไม่ดีออกไปแต่ที่มันเหนียวแน่นเป็นกิเลสเป็นอุปทานเป็นตัณหาอะไรที่มันเหนียวแน่นในใจเราจะทําแบบไหนลนะถึงจะออกได้ น, นั้นไม่ต้องคํานึงถึงวิธีการใดมากมายเปลี่ยนแต่จับหลักการจับหัวใจของที่พระอาจารย์สอนให้มันได้ จะทําแบบไหนก็ได้นะให้มันคลายความกําหนัดให้มันคลายความยินดีให้มันเกิดการจาขับสลรสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้มันเข้าถึงความสง บ, บให้เข้าถึงความดุดทนนั้นเราจะทําแบบไหนก็ได้แต่จะทําทานจะเป็นวัตถุทานจะเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งของก็ต้องเพื่อให้เข้าถึงการตระไปในใจคือการมายึดมั่นถือมั่นในใจนะชาวพุทธ ในรายที่บางทีทําบุญโดยการหวังผลนะแต่ถ้าเป็นชาวพุทธแท้จริงทําบุญไม่หวังผลทําบุญแล้วก็คือทำทำทานก็คือสละไปไม่ต้องหวังผลสินตอบแทนใดแม้แต่การรักษาสินก็ไม่ใช่รักษาเพื่อนะดูดีดูดเคร่งนะแต่เรารักษาเพื่อเห็นว่าสินทาให้เกิดความเรียกว่าความมั่นคงความปลอดภัย ทั้งกับตัวเราเองด้วยแล้วก็กับคนอื่นด้วยเป็นการไม่เบียดเบียนทั้งกับตัวของเราเองเป็นการทั้งไม่เบียดเบียนกับผู้อื่นด้วยนีมันเป็นการรักษาสินที่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการรักษาแบบรูปธรรมหรือว่าเป็นการรักษาแบบเรียกว่าต้องประคองเน <S <S ี่ยสนที่แท้จริงไม่ต้องประคองไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดสินไม่ต้องกลัวว่ามาลมั่นระวังระแวแงเกินไปแต่เรารักษาที่อะไร รักษาทีกายวาจาใจที่ปัจจุบันนั้นสีนทแท้จริงก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละทําผิดไปแล้วมาถึงทําผิดสินที่เป็นพ่อแล้วก็แล้วไปสิเรามารักษาใจใหม่ให้มันไม่เรียกว่าไม่ให้มันไม่เศร้ามองไอ้ใจที่ไม่สอมองแหลเป็นสินอย่างแท้จริงแต่ถ้ารักษาสินไปแล้วน่ะเกิดทําผิดไปจิตใจเศร้ามองอยู่นะแม้จะตอนนั้นไม่ผิดสินแต่ใจตัวเองก็เศร้าหมอง มันก็ไม่ได้คุณธรรมไปในใจแล้วนั่นนั้นรักษาศีลด้วยไม่ให้รักษาแบบต้องทนต้งทนหนอต้องประคองเกินไปนะแต่รักษาเพื่อให้เห็นว่าอ้อศีนที่แท้จริงทําให้เกิดความสงบความนุ่มเย็นกับตัวของเราเองไปในใจแล้วก็เกิดความสงบความเย็นแก่ผู้อื่นด้วยในการที่ได้เห็นหรือว่าได้ได้ชิชมนะหรือว่าทำให้ไม่ทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนหรือแม้แต่การทําสมาธิ ก็ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสงบชั่วคราวไม่ใช่เป็นไปเพื่อให้มันหยุดอะไรชั่วคราวเท่านั้นแต่เป็นไปเพื่อฝึกให้จิตมันเกิดความตั้งมั่นฝึกเพื่อให้จิตเกิดผู้รู้ขึ้นนะฝึกเพื่อให้จิตเรียกว่ามีกําลังมากขึ้นเป็นการทําสมาธิที่ไม่ใช่เอาแค่ผลของสมาธิชั่วคราวเท่านั้นแต่เป็นไปเพื่อเป็นการสะสมกําลัง สมาธิอาจจะคล้ายๆเหมือนกับฐานของยอดฐานของเจดีเพราะว่าได้นะเจดี JD ถ้าฐานไม่กว้างถ้าฐานไม่มั่นคงไม่แข็งแรงการที่ต่อยอดขึ้นไปสูงนะก็ก็เป็นไปได้ยากนะสมาธิก็เหมือนกับความความมั่นคงความตั้งมั่นความแข็งแรงนะถ้าไม่มีสมาธิก็เกิดปัญญาได้ยากนะแต่เป็นสมาธิที่เรียกว่า ควรแก่การงานไม่ใช่สมาธิที่เรียกว่าแช่กับอารมณ์หรือว่าจมกับอารมณ์พอใจแค่ความสงบพอใจแค่ความสุขเท่านั้นแต่คือสมาธิที่เรียกว่ามั่นคงไม่หวั่นไหวแม้อะไรจะมาแม้ด้านบวกจะเข้ามาเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแม้ด้านลบเนะี่ยเช่นบางคนทําสมาธิไปแล้วเกิดนิมิตเนะ่ยเป็นบาปเป็นกรรม เป็นการกระทำในอดีต ท, ที่เคยผิดาพาดมาหรือไปรู้เห็นอะไรก็แล้วแต่ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ต่างๆวันั้นอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่แน่นอนสมาธิคืออารมณ์ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆนะจิตมันเกิดความตั้งมั่นแค่ดูแค่รู้แค่เห็นเฉยๆสมาธิตรงนี้คือสมาธิที่มีสติมีความรู้ตัวมีความลึกได้ว่ากำลังทำอะไ ร, รยอยู่เกิดความ เกิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่วันไหวเป็นเอารมณ์ใดต่างๆเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าทําเช่นนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นได้ว่าเออที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะภายนอกเป็นเช่นไรภายในก็เป็นแต่แชนนอกจะเป็นเช่นไรก็เป็นเช่นมันก็เป็นของมันตามเหตุตามปัจจัยแต่ภายในแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ ภายนอกคน อ, อื่นจะว่าจะนินทาจะเจออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของคนอื่นนะแต่เรื่องเรื่องของเราเองคือเรื่องที่เราจะรักษาใจให้เป็นปกติรักษาใจให้ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์อะไรต่างๆหรือแม้แต่บางทีมาจะหวั่นไหวไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยหวั่นไหวก็สามารถกลับมาได้คือเป็นการที่เรียกว่าไม่เสียใจนะไปกับสิ่งที่อาจจะผิดพลาดในอดีต แล้วก็ไม่กังวลหรือไม่กลัวกับการกระทําในอนาคตนะ่ะมันจะเจออะไรก็ไม่เป็นไรจิตมันมั่นคงมันตั้งมั่นในการที่จะอยู่กับปัจจุบันมันพร้อมที่จะรับมือกับทุกสภาวะทุกอารมณ์ทุกเหตุการณ์ในปัจจุบันให้จิตแบบนี้นะมันจิตที่ด้ียว่ามันอยู่ที่ไหนจะเดินไปที่ไหนจะทําอะไรมันก็เรียกว่ามันก็มั่นคงปลอดภัยไม่กังวลไม่กังวลแล้วก็ พร้อมที่จะอยู่นะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็ได้แต่บางทีมีเหตุปัจจัยจะต้องเตรียมตัวก็เตรียมได้เตรียมอย่างไม่กังวนใจนบางทีในทางโลกบางทีการทําการทํางานมีการวางแผนมีการเตรียมพร้อมแต่บางทีถ้าเราสังเกตดูบางทีการเตรียมพร้อมการวางแผนอะต่างๆบางทีมันเป็นการดําเนินไปเพราะว่ามีความกลัวว่าไม่มั่นคงไปในใจนะอย่างการ เรียกว่าป้องกันหรือว่าป้องกันระแวแงเกินไปซึ่งถ้าเราสังเกต ด, ดูดีแล้วเออถ้าจิตใจมันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นแบบนั้นถ้ารู้แล้วก็ทำทำเพราะว่ามันสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าบางคนทำไปแบบมีรู้ทำไปแบบกมวลใจทำไปแบบกลัวเกินไปหรือทำไปแบบคล้ายๆเอา วิตกเกินไปนะอันนั้นันไม่ดีนะนั้นที่จริงแต่ถ้าจิตที่มีสติแล้วเออมันก็จะมีปัญญาในการพิจารณาว่าอะไรที่มันควรจะต้องเตรียมมันก็มันก็เตรียมอะไรที่ไม่ควรจะต้องเตรียมก็ไม่ต้องเตรียมมันก็ไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปอะไรที่จะพร้อมรับมือในปัจจุบันก็ค่อยรับมือในปัจจุบันไม่ต้องขอบวนอะไรไปนะมันก็เป็นสิ่งที่เอาประสบการณ์ในอดีต ดึงมาใช้นะในการวางแผนในอนาคตมันก็สามารถทําได้นะหรือว่าเป็นการคิดวางแผนในอนาคตแม้ไม่เคยเจอก็เอาย้อนอดีตมามาคิดใช้ในปัจจุบันก็สามารถทําได้แต่ก็ไม่ทําแบบกังวลหรือว่ากลัวเกินไปแล้วก็สามารถเนี่ยสิก็ดีสมาธิก็ดีสติปัญญาก็ดีแล้วก็สามารถเอามารวมเอามาใช้ได้ในในเหตุการณ์ ในสถานการณ์ในปัจจุบันธรรมตรงนี้ได้อันนี้คือเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะเกิดผลของการปฏิบัตินะเป็นศีลสมาธิปัญญาตรง น, นี้มันก็สามารถทําได้กันทุกคนเพราะที่จริงมรรคนิพพานมนไม่ไดมันไม่ได้ปิดกั้นผู้ใดไม่ได้ปิดปิดกั้นใครไว้นะเพียงแต่ว่าเราจะปิดกั้นตัวของเราเองหรือเปล่านะเราจะสามารถเข้าถึงศีลสมาธิปัญญา ได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทะลุทะลวงนะหรือว่าต้องต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความบักบันต้องอาศัยความฉลาดะฉลาดภายในในการที่จะคอยเรียนรู้ดูกายแล้วก็ดูใจของเราศึกษาให้เห็นนะมันไม่ได้ยากเกินไปแต่เป็นรือว่าดูให้มันดีนะบางทีมัน มันมันก็มีมาให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็มองข้ามมองข้ามไปง่ายๆนะเหมือนกับคล้ายฟองที่มันอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าพอเรามองข้ามไปมันก็เลยมองไม่เห็นแต่พอได้สัมผัสลิ้มรสมันบ้างแล้วก็จะเห็นอ๋อที่จริงสี่ต่างๆนี้มันมันก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะแล้วก็เป็นรสชาติที่เราเคยลิ้มรสแล้วนี่เองบางทีถ้า คนบางทีเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายรสชาติอาหารบางอย่างที่เราได้รับประทานเข้าไปเอ้ะ hey, รสชาตินี้มันคุ้นๆเราเคยกินแล้วนี่เรารู้สึกว่าเราเคยรับแบบนี้แล้วนี่บางทีมันก็เป็นเช่นนั้นนะบางทีพอเราปฏิบัติบางทีมันเกิดผลในบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใน ใ, นใจเราจะย้อนเลือกได้รู้สึกว่าเอออสภาวะแบบนี้เราก็เคยสัมผัสมาแล้วแต่เพีงเยงแต่ว่า ไม่รู้เราลืมไปเนิ่นนานกี่เท่าไหร่ทิ้งขว้างไว้แล้วก็ไม่ได้ต่อยอดไว้ในใจนะแต่พอเราได้กลับมาสัมผัสอีกทีหนึ่งอ้อสภาวะเช่นนี้มันมีอยู่แล้วนี่นะเพียงแต่ว่าเราดึงเราหลงลราเผลอไปจนทั้งมันเนิ่นนานหายไปคล้ายๆเหมือนกับคนบางคนไม่ได้เจอกันนานนาะนพอกลับมาเจอกันใหม่เขาก็จะนึกได้ว่าเคยเจอกันแล้วนี่คนคนนี้สภาวะธรรมไปในใจก็เช่นเดียวกันนะ ที่จริงสภาวะสิิสมาติปัญญาดึกผู้รู้ที่มันมีอยู่ในใจมันก็มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางทีมันหลงมันลืมไปเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าเรากลับมาทําความรู้จักมันให้ชัดเจนมากขึ้นนะให้มันคุ้นเคยกันมากขึ้นมันก็จะเกิดความรู้ที่มันต่อต่อยอดขึ้นไปเรื่อยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากการเดินทางที่แท้จริงมันก็มันก็ คงไม่ใช่การที่ว่าใครได้เดินทางได้ไปประเทศไหนมากกว่ากันหรือได้ไปเจอสถานที่สําคัญคือน่าดูอะไรมากกว่ากันหลักนะเพราะถ้าไปเช่นนั้นบางทีเราก็จะเปรียบเทียบกับพวกนักเดินทางแบบมืออาชีพไม่ได้บางคนเขามีอาชีพเดินทางนะหรือบางทีมีเงินมีทองมีเวลาในการเดินทางมาก กไ็ได้มีโอกาสได้ไปดูไปเห็นได้ไปเรียนรู้ที่ ต, ต่างๆภายนอกเยอะกว่านะเยอะกว่าคนลหลายๆคนในโลกนี้นะแต่ตอนนั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญถ้าการเดินทางที่แท้จริงไม่ได้ไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจนะเพีย ง, ง, ใในะ เ, พยงเพียงแค่การได้เห็นได้กินนะหรือว่าได้ได้สัมผัสกับสถานที่ใหม่ๆสิ่งต่างๆใหม่ๆสิ่งหลากหลาย มากกว่าคนอื่นอันนั้นก็ยังไม่ใช่การเดินทางที่แท้จริงแต่การเดินทางที่แท้จริงคือเดินทางไปแล้วไปดูไปเห็นไปฟังไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจตัวเองได้เกิดการได้ข้อคิดหรือว่าได้มุมมองหรือได้หรือว่าได้สะท้อนดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราเอง กลับมาเห็นว่าอ้อที่จริงธรรมชาติภายนอกมันเป็นเช่นไรธรรมชาติภายในใจภายในกายของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันดังแดนแดนแห่งนี้เนาะเอมันก็เคยเป็นเมืองของมอสบ้างเคยเป็นเมืองของพมา่าบ้างนะแต่ต่อไปมันจะเป็นของใครมันก็ไม่รู้หรอกนะมันที่จริงมันก็เหมือนเป็นสมบัติพัดกันใช้นะ ก่อนหน้านั้นมันเป็นของใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นของไดนโนเสาร์ก็ได้เป็นของคนนั้นก็ได้ต่อไปอาจจะเป็นของอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นสมบัติพัดกันใช้แต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของมันที่แท้จริงหรอกมันเป็นเพียงแค่เจ้าของแบบชั่วคราวเอาง่ายๆถ้าดูง่ายๆเหมือนกับที่ดินที่มันเปลี่ยนมือกันซื้อขายกันนะมันก็ไม่ใช่จะเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรอกนบางทีเราก็ <S <S ต้องกลับมาดูตัวเองนะครับเวลาเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างโดยสมมุติแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติมันก็ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงแล้วก็แค่เพียงใช้ได้ใช้ชั่วคราวเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยในวัตถุสิทธิ์ของภายนอกจะมีมากหรือมีน้อยก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่แท้ที่จริงแล้วการภาวนาไม่แต่สภาวะภายในใจ แต่ว่าเอามันก็เอาแต่ไม่ใช่เอาแบบภายนอกนะเอาแบบไม่เอานะเอาศีลเอาสมาเราต้องปฏิบัติเพื่อเอาคุณธรรมเอาคุณสนธรรมต่างๆนะให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดปัญญาอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นการเอาแบบไม่เอาเอาแบบไม่ใช่เป็นของเรานะเป็นการเป็นนะฝึกให้มันเป็นได้เหมือนกันฝึกให้ทําสมาธิก็ให้มันเป็นนะ เจตสติตั้มให้มันเป็นแต่มันเป็นแบบแบบไม่ได้มีเราเป็นผู้เป็นตรงนี้เออเาแบบไม่เอาเป็นแบบไม่เป็นหรือบางทีมันก็ได้นะได้สภาวะอะไรต่างๆแต่มันก็ได้แบบเดี๋ยวไปยึดว่ามันได้เป็นของเราแต่ถ้าเราทําแบบนี้ได้มันจะเป็นการเรียกว่ามันก็จะเห็นสภาวะต่างต่างมันเป็นแค่ของชั่วคราวนะมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเพราะเราที่แท้จริงมันไม่มี ทายนี้มันเป็นของเราหรือเปล่าพิจารณาดูมันก็ไม่ใช่ของเราตรงไหนที่ว่าเป็นของเราขาแขนเนื้อหนังใบหน้าหรือว่าอะไรทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นลองพิจารณาดีก็มันก็เป็นเช่นนั้นต่อไปมันก็แดมันก็แตกมันก็ดับมันก็ย่อยสลายเปลี่ยนร่างไปเป็นเช่นนั้นตลอดไปที่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงทุกวัน เปลนแปลงทุกภพทุกชาติเดยตั้งไปเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นของเราที่ไหนหรือแม้แต่สภาวะจิตใจถ้าดูดีๆอะไรเถอะจิตใจเป็นของเราความคิดเหรอเป็นของเราเราคิดเรารู้สึกเหรอความรู้สึกเหรอเป็นของเราความจําได้เหรอเป็นของเราอารมณ์เหรอเป็นของเรามันเป็นของเราที่ไหนยึดได้ไหมนะ บังคับให้มันเป็นอย่างที่ต้องการได้หรือเปล่ามันเป็นไปแบบไหนของมันดูดีๆถ้าเราดูดดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยไม่มีอะไรที่เราจะเอามายึดได้เลยเพราะว่าจะไปยิตเมื่อไหร่ก็ไม่ให้เรายึดนไงจะไปคว้าเมื่อไหร่ก็ไม่ให้เราคว้าเหมือนกับอากาศที่มันเป็งค้างอยู่แบบนะ้นเอามือซ้ายไปจับก็ไม่ได้ถ้ามือขวาไปจับก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรเช่นนั้นอารมณ์ ภายในก็เป็นเช่นนั้นมันเอาไม่ได้ถ้าเราเห็นส ภ, ภาวะต่งตางๆแบบนี้ในใจแล้วเออมันมีแต่ส ภ, ภาวะที่ไม่ใช่อะไรเป็นของเราทั้งนั้น อ, อมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งต่างๆที่มันเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดํารงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ผ่านไป อ, อสิ่งภายนอกเป็นเช่นไรสิ่งภายในก็เป็นเช่นนั้นเมื่อภายนอกกับภายในมันเสมอกันมันก็เรียกว่ามันเกความสมดุ์ จิตมันเกิดความมั่นคงต่อไปมันก็ไม่แยกภายนอกแล้วก็ภายในมันเป็นสภาวะที่เหมือนกันทั้งภายนอกทั้งภายในจนไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรนอกหรืออะไรในมันเหมือนกับบางทีน้ํำเลนน้ำสองสายที่มันมารวมกันนะเมื่อมันรวมกันแล้วมันก็ไม่สามารถแยกได้ว่าน้ําเส้นนี้มันมาจากสายใดสายหนึ่งเพราะมันรวมกันเข้าไปด้วยกันแล้วสภาวะจิต ที่มันเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเป็นสภาวะเช่นเดียวกันแล้วมันก็มันก็ไม่หวั่นไหวหรือไม่ไม่ไม่มันคงไปกับอะไรแต่ถ้าจะพูดโดยสมมุติมันก็รู้ว่าภายนอกคืออะไรภายในคืออะไรมันก็รู้แต่แท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเป็นสภาวะที่มันมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับกับทุกสิ่งทุกอย่างนทุกสิ่งอย่างมันก็เป็นเป็นหนึ่งเดียว ของกันและกันอยู่นล้เราก็ศกึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สภาวะเช่นนี้น ะ, นะมึนเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันก็จะเป็นการเดินทางที่แท้จริงเป็นการเดินทางเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่ไม่รู้กลายเป็นสภาวะที่รู้เปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่หลงกลายเป็นสภาวะที่ไม่หลง เปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่ไม่ไม่มั่นคงกลายเป็นสภาวะที่มั่นคงเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่ยึดติดยึดมั่นในอะไรต่างกลายเป็นสภาวะที่เรียกว่าถอนการยึดติดยึดมั่นเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิสระจากความความความหลงเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาจนสุดท้ายก็เป็นอิสระจาก รับผลนิพพานอะไรต่างๆก็ไม่ได้ไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้ก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงนะก็คงจะเป็นการเดินทางที่พวกเราต้องเรียกว่าค่อยๆศึกษาเรียนดูแล้วก็เดินทางไปให้ถึงเนยะทําให้มันถึงที่สุดให้มันได้อย่างที่เราสวดมนต์ธรรมะทุกวันทําเช่นไหนเราจะทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ได้เนะี่ยก็เป็น สิ่งที่เราต้องกระทำกั น, ก น, ก น, กน